บทที่สองเพื่อนรักโจกหรอว่าไงลานดาวทักต้นสายโทรศัพท์ด้วยกังวาลเสียงนุ่มแน่นสดใสแม้เสียงน่ารักนนทการชมและเมื่อถูกชมเจ้าหล่อนก็หัวเราะร่วนลากยาวในแบบจงใจเรียงรินเข้าหูอีกฝ่ายเพื่อให้วิวไว้ไหลหลงน่ารักแต่ไม่ควรจะรักนะคะน้ำหนักคำและหางเสียงดุกระเดียดไปทางปรามจริงจังลานดาวชอบเล่นอย่างนี้เสมอคือยวนใจให้นึกพิศวัตรด้วยท่าทีหรือซุ้มเสียง ตามด้วยการกลีดหัวใจให้แสบเสียวด้วยวาจาตัดรอนชั่วขณะนั้นนนทการนึกอยากถามหมอดูอุปการะขึ้นมาทันทีว่ากรรมชนิดนี้จะต้องได้รับผลเช่นไรขอบใจที่ย้ำวันนี้เรารู้แล้วว่าเราไม่ควรรักจ้ะอุตตายน่าดีใจจริงอะไรมาโดนใจคะคนใครหมอดูจริงอ่ะจกเนี่ยนะไปดูหมอใช่ตั้งใจไปดูเรื่องอะไรเหรอ กระเป๋าหายโฉนดที่ดินถูกขโมยหรือป้าสะพายถูกจับไปเรียกค่าไถ่รู้ๆอยู่ยังแกล้งถามอีกโถคนโง่ๆแต่น่ารักอย่างจ้าจะไปรู้อะไรคะก็ไปดูเรื่องจ้านั่นแหละเพิ่งบอกหยกๆต้องไก่ด้วยฮ่าๆนึกถึงโจกเดินตรงดิ่งเข้าไปหาหมอดูแล้วขำว่าคิดเลขเก่งๆไม่น่าสนใจเรื่องพันนี้กับเขาเลยยืนเก้เก๊กลงๆอยู่ตั้งนานเหมือนกันกว่าจะตัดสินใจความจริงกะดูหนังเท่านั้น แต่เห็นโต๊ะตั้งอยู่เลยแวะดูหมอเสียหน่อยก่อนทำไงได้คนกำลังสับสนอยากคุยกับใครสักคนที่ถูกอุปโลงมาให้ตอบปัญหาหัวใจเมย์จะอยู่ตรงนี้ให้ถามง่ายๆไม่ถามต้องไปพึ่งพาใครเสียเงินเสี ย, สยทองทำไมว่าแต่เป็นไงมั่งหมอดูบอกว่าไงเขาเริ่มได้ยินเสียงหลอนเคี้ยวอะไรจับๆสงสัยคลั่งขันว่าเหตุใดลานดาวยังหุ่นดีอยู่ได้ทั้งที่กินขนมจุบจิบตลอดศกจะเป็นไงล่ะ หมอบอกว่าถ้ายังดันทุรังก็มีแต่แห้วลูกอมรถบวยก็มีใครว่าจะมีแต่แห้วไว้แจกสู่รู้แท้จุจุอย่าว่าแกนะด่าอะไรอยู่ตรงนี้แกก็รู้นะตายหมอดูหรือหมอผีกันแน่หมอดูนี่แหละแต่แกเหมือนมีตาทิฟรู้เห็นอะไรหมดขนาดนั้นเอาเป็นสรุปว่าโทรมาเพื่อประกาศว่าโจ๊กจะเป็นเพื่อนที่ดีของจ๊ะนะจะไม่เรียกร้องอย่างวันก่อนอีกบอกให้รู้ไว้จะได้สบายใจต้องอย่างนั้นสี่พักพวก ลันดาวยิ้มกลิ่นอยู่อีกทางว่าแต่ทําไมเชื่อคนง่ายนักละ่ะหมอดูบอกว่าให้เลิกพยายามก็เลิกตามสั่งเลยหรือเปล่าถ้าผู้ส่งเด็ดหรืออ้างลัคนาราศีอะไรจะไม่เชื่อเลยแต่นี่เล่าแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโกหกช่างเถอะได้ผลพอขุดบ่ลอล่อปลาปลาก็กระโจนใส่ทันทีเล่าสิทําไมหรอเริ่มขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็ทักโจกว่าอยากดูเรื่องผู้หญิงใช่ไหมแบบว่ากําลังรักข้างเดียวเรางี้หูพึ่งเลย ยิ่งกว่านั้นเขาบอกลักษณะของจ่าได้ถูกหมดเรางี้อ้าปากหวอพอเรื่องวกหมาเข้าตัวคราวนี้ลานดาวถึงกับหยุดกินขนมเขาบอกว่าไงก็ตรงกับที่โจกรู้ว่าเป็นจ่าแล้วกันนะแถมอีกคือรู้ลึกในรายละเอียดลึกลับเกี่ยวกับที่มาที่ไปซึ่งรับรองว่าแม้แต่จ่าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเช่นชาติก่อนจ่าทาอะไรมาถึงสวยแล้วชาตินี้เมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ที่อยู่กันไดตลอดรอดฟังยกเมฆหรือเปล่า แต่ไม่ทันรอคำตอบก็ถามติดกันเร็วปลือชาติก่อนทำยังไงถึงสวยแล้วชาตินี้เมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่เขาก็บอกมาเยอะนะเราจำไม่ถนัดพอรู้ว่ากินแห้วแน่ก็หมดกำลังใจบววแต่ซึมเศร้าคลายตุดเก็บกดพูดอะไรมาเข้าหูทรายทะลุออกหูขวาตลอดถ้าสนใจอยากไปฟังเขาพูดเองไหมล่ะที่ไหนต้องให้โจกพาไปโถเอ้ยยั่วให้อยากรู้ที่แท้อยากควงเขาเที่ยวไม่หลงกลหรอกไม่ไปก็ตามใจนะ ลานดาวช่างใจอยู่ครูก่อนตัดสินใจรับห้วนก็ได้นนทการเลือกวันหยุดเรียนตรงกับลานดาวขับรถไปรับหล่อนที่บ้านเพื่อพาไปดูหมอตามนัดเคยคิดไหมทำไมบางทีคนเราชอบคุยกันทางโทรศัพท์มากกว่าคุยกันแบบเห็นหน้าเสียอีกชายหนุ่มถามเปเยเป็นการชวนคุยระหว่างอยู่ในรถยิงสาวกระพนนริบตาสองสทีนนทการมักมีโจทย์ชวนคิดมาถามข่าเวลาเป็นประจำหลายครั้งเป็นเรื่องธรรมดาพบเห็นทั่วไป จนกระทั่งไม่มีใครใส่ใจถามหาเหตุผลกันตอนคุยโทรศัพท์เราจะรู้สึกว่าคู่สนทนาเป็นของเราคนเดียวจองตัวไว้สำหรับเราโดยเฉพาะห้ามไปคุยกับคนอื่นหนึ่งแต้มให้เวลาสิวินาทีคิดเหตุผลข้อต่อไปถ้าตอบได้ห้าข้อจะมีรางวัลลานดาวแค่นหัวเราะยกมือกอดอกรางวัลอะไร ย, ยะเข้ากลางวันหนึ่งมือกับหนังหนึ่งเรื่องยิงสาวเบะปากครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งเข้าโอเคแต่ไม่ต้องแถมหนัง อ่ะลองตอบข้อต่อไปคุยโทรศัพท์ดียังไงอีกคิดถึงเมื่อไร่ก็โทรคุยได้โดยไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลาข้อ 3. ฝ่ายตอบมองออกไปข้างนอกเริ่มตอนเลือกค้นจากใจนานขึ้นเราซ่อนสีหน้าได้แม้กําลังรําคาญหรือกโกรธจัดแค่งเงียบเงียบไปอีกฝ่ายก็ไม่รู้แล้วข้อ 4. ีคราวนี้ลานดาวคิดนานขึ้นอีกทุกคําถามที่ต้องการเหตุผลทางใจนั้นมักมีคําตอบง่ายๆในเบื้องแรกเสมอแต่พอคิดลึกแบบเก็บตกให้ครบถ้วน ก็เหมือนเป็นเรื่องซ่อนเร้นลี้ลับทั้งที่คําตอบคล้ายปรากฏตรงหน้าอยู่แล้วเพียงแต่ห่างไกลเลือนรางออกไปทุกทีตอนคุยกันแบบเห็นหน้าเราจะเลี่ยงหลบยากถ้าหากต้องการจบการคุยบางทีต้องขอตัวกันนานร่ำลากันยืดยาวหรือเป็นธุระต้องเดินไปส่งต่อให้ไม่พอใจอย่างไรก็ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากจุกจิกกวนใจแต่คุยโทรศัพท์นั้นถ้าไม่พอใจมากๆวางโชะเดียวจบถ้ามันโทรมาอีกก็วางใส่มันอีกนนทการยิ้มกว้าง เอาละข้อสุดท้ายลานดาวมองเลงเบื้องหน้าเค้นคิดจริงจังนึกไม่ออกแฮอ๋อหลอนดีดนิ้วเปาะร้องแบบปิ๊งกระทันหันถ้ากำลังกินขนมเราไม่ต้องแบ่งใครแห่แห่แกล้งชวนกินแกล้งยื่นให้ทางโทรศัพท์ยั่วน้ำลายเล่นก็ได้แต่เราหม่ำจับจับอยู่คนเดียวอิอีอืมข้อหลังนี้โจ๊กเคยโดนบ่อยหญิงสาวทาเสียงเอิกอาร์กนนทการกล่าวสืบต่อ ความจริงเรามองให้เห็นข้อดีของอะไรสักอย่างได้ไม่จํากัดแต่ก็ขึ้นอยู่กับมุมที่เรายือนอยู่ด้วยเหรอคะแล้วโจ๊กเห็นเหตุผลอื่นยังไงอีกแค่5้าข้อนี้ข้อสุดท้ายจ้าต้องเริ่มเอาสีข้างเข้าถูแล้วนะงั้นฟังห้าข้อของเรานะต่างจากจ้าอย่างสิ้นเชิงอืมหล่อนตั้งใจเงี่ยหูข้อดีของการคุยโทรศัพท์ข้อแรกมีเสียงของคนที่เรารักอยู่ในหูตลอดเวลาข้อ2ได้เวลาส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอไว้เป็นของเราคนเดียว ข้อ 3. เหมือนได้อยู่กับเธอในที่ส่วนตัวของเธอเองตามลําพังข้อสถ้าทําให้เธอขัดเคืองก็งอได้เต็มที่โดยไม่ต้องกลัวใครได้ยินข้อหนอนท ก, การร่ายยาวเป็นจังหวะจากโคนต่อเนื่องรวดเดียวมาเว้นวรกนิดหนึ่งก่อนท่อเสียงแผ่วอ่อนขณะถูกปฏิเสธเธอจะไม่เห็นน้ําตาของเราเลยถ้อยคําของเขาทําเอาลานดาวชะงักงนันมองนิ่งเป็นข้างหน้าด้วยสัมผัสทางใจที่แตกต่างไปทว่าครู่เดียวหล่อนก็เอ่ยได้เป็นปกติ ลูกไม้เรียกร้องความเห็นใจเริ่มเข้าท่าแล้วพยายามต่อไปนะสักวันอาจสําเร็จสัญญาว่าเป็นเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนไม่เซาซีหรือหาลูกไม้มาออดอ้อนกวนใจหลอกรับรองรู้ตัวแล้วว่าโจกไม่ใช่ผู้ชายแบบที่จ้าจะรักพูดเหมือนรู้เลยนะว่าฉันรักผู้ชายแบบไหนไม่รู้สิว่าแต่จา้าหนะรู้หรือเปล่ารู้แบบไหนแบบที่จะไม่หลงฉันหล่อนลดเสียงลงจนเกือบเป็นกระซิบนุนทการฟังแล้วหัวเราะออกมาดังๆเคยเจอเหรอ ไม่เคยชายหนุ่มถอนใจยาวจะแค่มีปัญหาคือยังไม่เคยเจอคนเสมอกันเท่านั้นแหละผู้หญิงทั่วไปเบื่อผู้ชายเพราะโกหกเจ้าชู้เอาใจไม่เก่งติดเพื่อนขี้ลืมไม่เห็นค่าไม่ค่อยโทรหาแต่สําหรับจ้านั้นตรงข้ามมีแต่คนอยากจะเอาใจบานพเพลอคนเอาใจเก่งก็เลยดูโหลไปสรุปให้ง่ายคือผู้ชายดีๆที่เข้ามายังไม่เราใจพอนั่นเองล้านดาวสยาม ย, ยิ้มอืมดีนะ ฉันจะจำไว้ตอบคนอื่นผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตฉันถึงจะดีแต่ก็ไม่เราใจต้องบอกด้วยว่าไม่เราใจในสายตาเธออย่างอิตาสมโพธที่จะเพิ่งเหวี่ยงทิ้งให้หน้าตาหดหูเหมือนตัวตุกตุนนั่นนะ่ะสาวๆกลีตกันจะตายคนเรามีดีมากไปก็เป็นทุกเรื่องคู่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะน่ากลุ้มแทนสมมติว่าจ้าเจอคนที่จารักได้อยู่กันได้ยืดๆซึ่งเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอยู่แล้วแต่มีอันต้องแคลวคลาดกัน จ้าจะเจอเข็มเล่มที่สองสสี่ยังไงไหวก็คงต้องอยู่ตัวคนเดียวฉันทำใจได้ทุกวันนี้แม้แต่เพื่อนผู้หญิงก็ใช่ว่าสนิทอะไรอิจฉาตาร้อนกันเรื่อยนี่เพิ่งมีเรื่องระหองระแหงมึนตึงกันเพราะหาว่าฉันไปแย่งแฟนมันจ้าอยู่ของจ้าดีๆดัดนมาว่าเราพูดแล้วยังโมโหไม่หายนึกถึงตอนมันมาตู่ตู่ตตแล้วอยากตบสักฉาดหญิงสาวพูดแบบระบายอารมณ์นนทการย่นคิ้วฉงนหมายถึง อิเอ๋ยนั่นแหละเพื่อนหนุ่มแปลกใจพอรู้จักฝ่ายนั้นดีว่าสนิทสนมกลมเกลียวกับลานดาวเพียงใดสะสวยไล่เลี่ยวกันเสียด้วยถ้าต้องทะเลาะเบาแหวงกันเรื่องผู้ชายคงสะท้อนหลายอย่างเป็นต้นว่าความสวยไร้ความหมายหากผู้ชายสนใจใครคนนั้นก็คว้าชายในความมีเสน่ห์แรงไปคลองเขาฟังหูไว้หูในเรื่องแย่งแฟนด้วยเคยเห็นมาบ่อยคือบางทีลานดาวไม่มีเจตนาแต่เล่นหูเล่นตาโปรยยิ้มบาดใจไปตามนิสัยชอบยั่วให้หลงเสียอย่างนั้น หล่อนทำนิดเดียวแต่มีผลมากเสมอหากเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดว่านั่นคือการทอดสะพานก็หาใช่เรื่องหน้ากล่าวโทษฝ่ายชายเสียทั้งหมดแต่ไม่เลวนักหรอกหล่อนเปลยหลายหนแล้วว่ามีเพื่อนผู้หญิงนั้นจุกจิกน่ารำคาญถ้านั้นหมายความว่าเป็นช่องทางให้เขาก้าวเข้ามาสนิทสนมจะแบบเพื่อนหรืออะไรก็ตามทีนับว่าเป็นความพอใจของเขายิ่งนักแล้วตกลงความสวยนี้เป็นบุญหรือเวรกรรมส่งสาบกันแน่ก็ไม่รู้เนอะโจ๊กไม่เห็นจะเป็นสุขสักเรื่อง แฟนก็หาไม่ได้เพื่อนสนิทมีก็ทะเลาะกันล้วนแต่เพราะสวยเกินเหตุทั้งนั้นเรื่องบาปบุญกรรมเวรนี่เราจะเชื่อได้ยังไงล่ะว่ามันมีหรือไม่มีถ้าไม่มีมันก็น่าแปลกอยู่นะคิดดูซิคนเราได้รับความอายุติธรรมมาแบบฟลุกๆงั้นหรือบางคนจนกรอบชนิด ต, ต้องนอนใต้สะพานลอยบางคนหน้าตาขี้ริ้วขี้เรขนาดอยากเอาปี๊บคลุมหัวบางคนเป็นที่รวมของความอัตคัดทุกชนิดทั้งเงินทองรูปโฉมสติปัญญา เข้าไหนก็น่ารังเกียจนั่นต่างจากบางคนที่ทั้งรวยทั้งรูปร่างหน้าตาหมดจดทั้งฉลาดจ๋ามาแต่อ้อนแต่ออกใครเห็นใครก็รักจะว่าความแตกต่างของคนเราถูกกาหนดด้วยเหตุเดียวคือความบังเอิญหรือแม้พูดลําบากนะคะเพราะคุณสมบัติอันเพียบพร้อมในช่วงท้ายเหมือนโจกจงใจชมจ้าถ้าให้ตอบตามตรงก็เท่ากับชมตัวเองลานดาพูดเสียงอ่อนเสียงหวานประสานมือบิดไปบิดมาเล็กน้อยคลายเกอร์เขินเอียงอายเหลือเกิน นนทการอดหัวเราะไม่ได้จ๊ะถ้าเธอไม่อยากให้เราหรือใครๆลุ่มหลงทำไมถึงชอบพูดจาทำท่าน่ารักเหมือนหวานสเสน่ห์อย่างนี้อยู่เรื่อยอุ๊ยเปล่านะคะลานดาวทำตาโตอันนี้ติดตัวมาแต่กำเนิดเป็นคุณสมบัติสามัญของสาวน้อยผู้แสนจะซื้อคนหนึ่งให้ช่วยยังไงดีล่ะอืมจกรู้จักคนสวยบางคนที่สงบส ง, งียมหลีกเลี่ยงจะเอาบ่วงสเสน่ห์ไปคล้องใจใครแบบเอาเป็นเอาตาย แต่บางคนอย่างจา ก, ก็เหมือนทนไม่ได้ถ้าไม่มีใครมารักมาหลงดูแลเป็นการตัดสินใจเลือกมากกว่าเป็นคุณสมบัติติดตัวแต่กําเนิดนะและโจกว่าการตัดสินใจเลือกนั่นแหละคือกรรมทุกคนจะต้องได้รับผลของการเลือกแบบหนึ่งหนึ่งเสมอลานดาวเชิดหน้าหญิงแต่ถ้าคิดว่าทุกความแตกต่างเกิดจากกรรมถูกจําแนกด้วยกรรมบางทีก็น่าตั้งคําถามนะต้นไม้ใบหญ้าที่มันไม่มีชีวิตจิตใจก็หลากสีหลายพันธรรมชาติความหลากหลายของพวกมันมาจากไหนล่ะ พวกมันไปทำกรรมอะไรไว้เจอคำถามนี้คนไม่รู้คำตอบก็นิ่งบื้ไปว่าไงล้านดาวถามจี้นนทการตอบเสียงอ่อยเดี๋ยวลองถามหมอดูสิหญิงสาวยิ้มเยาะคนเราส่วนใหญ่เชื่อเพราะคิดไม่ใช่เชื่อพอ ร, รู้อย่างเธอเนี่ยนะแกตัวลงหัวล้านแง่แง่หน้าผากเถอขนาดนี้พอถึงเวลาหัวล้านขึ้นมาค่อยคิดโทษกรรมโทษเวรคราวนี้หัวล้านเพราะอะไรดีละ่ะเมื่อชาติก่อนเคยตีหัวนกตะกลุม หรือเคยด่านกตะกลุ่มให้น้อยเนื้อต่ําใจนักการหัวเราะออกมาอีกเริ่มสังเกตว่าอารมณ์ขันและความคิดพิสดารของลานดาวเป็นสเสน่ห์หน้าลุ่มหลงอีกชนิดหนึ่งที่สาวสวยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีทุกครั้งที่เขาหัวเราะเพราะคำพูดของหล่อนเขาจะมีอาการเคลิมหลงรันจวนอยากถลาเข้าไปกอดอยากสารภาพว่ารักรักรั ก, รกใจแทบขาดเสมอจ้านี่ทําให้คนหลงรักได้ด้วยอาวุธรอบตัวเลยนะแค่คําพูดก็ยิงโดนใจบ่อยแล้วชายหนุ่มเปรยแบบขี้เกียจทนอัดอั้นคาอก ขณะนั้นเขาต้องหยุดรถที่สี่แยกไฟแดงในตำแหน่งคันหน้าสุดจึงเท้าสอกกับประตูในท่ากุมขมับน้อยๆด้วยความสังเวชใจตนเองนีแ่แปลว่ากำลังจะหลงอีกหรองั้นทําให้ขายหน้าดีไหมเธอจะได้เกลียดฉันว่าแล้วก็เอื้อมมือไปกด แ, แปรปีนๆแต่เส่หันไปทางอื่นทําหลับตาไม่รู้ไม่ชี้เป็นเหตุให้ผู้หญิงที่นั่งซ้อนหลังมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าหันมาใช้หางตาขุนเครื่องชําเลืองแรนนทการตามธรรมดาของคนโดนเสียงดังกระทบโสด ที่คิดว่าคนขับนั่นเองเป็นผู้กดพอรู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรตนเองเจอยัดเยียดความผิดเข้าให้แล้วชายหนุ่มก็กระตุกยิ้มโบกมือให้สาวมอเตอร์ไซค์ทีหนึ่งไม่มีทางอื่นนอกจากรับหน้าไปพอประมาณว่าขอโทษที่เผลอโดนตแตรให้หล่อนตกใจสาวมอเตอร์ไซค์หันหน้ากลับแบบทิ้งค้อนหนึ่งวงซึ่งเรื่องคงจบแบบเงียบๆถ้าไม่ใช่เพราะมีมือดียื่นมากดแตรซ้ำอีกปินใหญ่นนทการทำหน้าเผลอร้รองฮ้ยดังๆ เพราะคราวนี้นอกจากสาวซ้อนหลังแล้วพี่เบิรมเจ้าของบอกคนขี่ยังหันมาเพ่งจ้องด้วยความไม่พอใจอีกรายหันมองลานดาวก็เห็นทำหน้าตายหลับตาเฉยคอพับคออ่อนเสมือนสลบสลด์ไม่ได้สติตลกร้ายของหล่อนอาจทำให้เขาเลือดกบปากเสียคราวนี้สาวบนหลังมอเตอร์ไซค์คงนึกว่าเขาบีบตแตรเรียกหล่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าหันมาจะสวยแบบมองหลังหรือเปล่าพอเห็นว่าสวยดีเลยเรียกอีกซึ่งนั่นไม่เหมาะเลยถ้าพี่เบิรมพลอยเข้าใจตามไปด้วย นนทาการแยกเคี้ยวยิ้มแย่คราวนี้ยกสองมือและทำหัวผงกขึ้นลงหวังว่าทั้งสองคงไม่เห็นว่าหน้าตาดีๆอย่างเขาเป็นพวกคิดสัน้นเล่นเป็นเด็กปัญญาอ่อนขนาดนั้นอยากเผยความจริงด้วยการเอานิ้วชี้จิ้มๆไปทางด้านซ้ายเป็นสัญญาณชี้บอกว่าตัวแสบที่แท้คือใครแต่ก็จนด้วยกล้าวจึงต้องรับสถานการณ์ถูกคุก ค, คามด้วยสายตาตำลำพังเนื่องจากแม่ตัวดีไก่หลับไปอย่างนั้นหนุ่มมอเตอร์ไซค์ทำท่าช่างใจว่าจะเอาอยัางไงดี กระซิบกระซาบกับสาวซ้อนหลังแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจขี้เกียจเอาเรื่องให้เสียเวลาทำมาหากินแค่ขมุบขมิบ ป, ปากฝากข้อความคลายเรียกเขาว่าเฮียหรืออะไรทำนองนั้นแล้วหันกลับด้วยกระแสความขุนใจชัดเจนนนทการถอนใจโล่งอกรอจนไฟเขียวแล้วค่อยๆเคลื่อนรถออกจากที่แบบรอทิ้งห่างจากมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าระยะหนึ่งด้วยความเกรงตกค้างเป็นอีกครั้งที่ลานดาวเล่นบ้ า, บา ร้ายกว่านั้นคือเขาไม่รู้ว่าปฏิกิริยาทางใจของตนเป็นอย่างไรแน่แปลกที่เครื่องหล่อนเพียงนิดเดียวแต่กระเดียดไปทางเห็นขำทั้งที่มันล่อแหลมกับการถูกอัดกลางถนนแท้ๆนี่คือวิธีห้ามไม่ให้ฉันเผลอไปหลงเธอใช่นี่คือสัญญาณเตือนว่าถ้าเธอได้ฉันเป็นแฟนจะปวดหัวกว่านี้หล่อนตอบทั้งหลับตายิ้มเย้ย